ขอย้อนกล่าวถึงจริยาบทแห่งพระานนท์พระอนุชาร่วมพระไทยสมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ตอนสายวันหนึ่งพระอาทิตย์โคจรขึ้นเกือบจะถึงกึ่งฟ้าทางด้านตะวันออกแล้วแต่ลมเช้าก็ยังพัดมาเบาๆความสดชื่นแผ่ปกคลุมอยู่ทั่วพระเชตวันมหาวิหารความรุ่มรื่นแห่งอาราม ผ ส, สมด้วยความสงบระงับภายในแห่งสมณะผู้อาศัยอยู่ทำให้อนาถบินทิการามปรากฏประหนึ่งโลกทิพย์ซึ่งมีแต่ความสงบเย็นเสียงพิสุใหม่สาธยายพระพุทธพจน์ดังอยู่เป็นระยะระยะนอกจากนี้ยังมีบางท่านเดินจงกรมพิจารณาหัวข้อกรรมฐานที่อาจารย์บอกให้ เพื่อทำลายอสะวะซึ่งหมักดองอยู่ในใจิตใจเป็นกิเลสานุสัยอันติดตามมาเป็นเวลาช้านานบางรูปซักและย้อมจีวรบางท่านกวาดลานพระวิหารและเตรียมอคันตุกะพัน์ต่างชนิดเพื่อภิกษุต่างถิ่นผู้จะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระาศาสดาทั้งหมดนี้เป็นไปโดยอาการสงบ เป็นเครื่องนามาซึ่งศรัทธาเลื่อมใสแกพู้ทศนายิ่งนักเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อนันตชินได้เสด็จผ่านมาภิกษุผู้นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นยืนถวายความเคารพผู้ยืนอยู่ก็หยุดเดินภิกษุผู้กำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็หยุดงานไว้ชั่วคราวเพื่อแสดงอาการคารวะ และมองดูพระศาสดาด้วยสายตาอันแสดงถึงความเลื่อมใสลึกซึง้งพระโจรมุนีทรงทักทายภิกษุบางรูปและทรงแนะนำข้อธรรมบางประการแล้วเสด็จเลยไปเมื่อถึงกุฏิหลังหนึ่งพระพุทธองค์ประทับยืนนิ่งครู่หนึ่ง แล้วผินพระพักมาถามภิกษุผู้ตามเสด็จว่าอานุ์ภิกษุรูปใดอาศัยอยู่ในกุฏิหลังนี้ภิกษุชื่อติสสะพระเจ้าข่าพระอนน์ทูลตอบเธออยู่หรือน่าจะอยู่พระเจ้าค่าพระาศาสดาเสด็จเข้าไปภายในกุฏิภาพที่ปรากฏณเบื้องพระพักทำให้พระองค์สังเวสุด ป, ประมาณภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในมชิมวยัย นอนนิ่งอยู่บนเตียงน้อยร่างกายของท่านปรุพุนไปด้วยรอยแผลมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มท่วมกายเตียงและผ้าของภิกษุรูปนั้นแปดเปื้อนด้วยปุปโโรหิตส่งกลิ่นคาวคลุ้งท่านนอนจมอยู่ในกองเลือดและหนองซึ่งแห้งกรังไปแล้วก็มีที่กำลังไหลเยิ้มอยู่ก็มีเมื่อได้ยินเสียงภิกษุรูปนั้นก็ลืมตาขึ้น ภาพพระศาสดาซึ่งประทับยืนอยู่นริมเตียงนั้นทําให้ท่านมีอาการตะลึงแต่ยกมือขึ้นถวายความเคารพแต่ยกไม่ขึ้นเหลียวไปอีกด้านหนึ่งของเตียงท่านได้เห็นพระพุทธอนุชายืนสงบนิ่งอาการเศร้าฉายออกมาทางดวงหน้าและแววตาของพระอ น, นุ์ผู้ประเสริฐและแล้วเมื่อเหลียวมาประสบพระเนตร ซึ่งศาสแววแห่งมหากรุณาออกมาของพระศาสดาอีกครั้งหนึ่งคราทีนั้นความตื้นตันใจได้ท่วมทนหทัยของพุทธสาวกจนเอ่อล้นออกมาทางดวงตาทั้งสองแล้วค่อยๆไหลซึมลงอาบแก้มซึ่งแห้งและตอบเพราะอานุภาพแห่งโรคนั้นดูก่อนติศพระศาสดาตรัส เธอได้รับทุกขเวทนามากหรือมากเหลือเกินพระเจ้าค่ะเหมือนอนอนอยู่ท่ามกลางหนามเสียงซึ่งแหบเคลือผ่านลำคอของพระติสสะออกมาโดยยากเธอไม่มีเพื่อนพรหมจรรีหรือสหธรรมิกหรือสัตวิหาริกอันเตวาสิกคอยปฏิบัติช่วยเหลืออยู่บ้างเลยหรือเคยมีพระเจ้าค่ะแต่เวลานี้ เขาทอดทิ้งข้าพระองค์ไปหมดแล้วทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเขาเบื่อพระเจ้าข้าเพราะข้าพระองค์ป่วยมานานและรักษาไม่หายเขาเลยพากันทอดทิ้งข้าพระองค์ไปอาการแรกเริ่มเป็นอย่างไรนะติสะแรกทีเดียวเป็นต่อมเล็กๆประมาณเท่าเมล็ดผักกาพดพุขึ้นทั่วกายพระเจ้าข่า แล้วค่อยๆโตขึ้นตามลำดับลำดับเท่าเมล็ดถั่วเขียวเท่าเมตูด่และแล้วก็แตกน้ำเหลืองไหลสรีระทั้งสิ้นก็เป็นรูน้อยรูใหญ่สมบงและจีวรเปอะไปด้วยเลือดและหนองอย่างนี้แหละพระเจ้าข่าทูลได้เท่านี้พระติสะก็มีอาการหอบเล็กน้อยอ่ อ, อนเพลียไม่สามารถทูลต่อไปได้อีก พระาศาสดาและพระอนทนเสด็จออกจากกุฏินั้นไปสู่โรงไฟพระาศาสดาทรงล้างหม้อน้าด้วยพระองค์เองพระอ น, นุนติดไฟเสร็จแล้ววางหม้อน้าไว้บนเตาทรงรอคอยจนน้ำเดือดแล้วเสด็จไปหามเตียงพิสุขให้พระองค์จับด้านหนึ่งและพระอ น, นุนจับอีกด้านหนึ่งหามมาสู่เรือนไฟ ภิกษุหลายรูปเดินมาเห็นพระาศาสดาทรงกระทำเช่นนั้นก็ช่วยเหลือคนไม้คนลมือทรงให้เปลื้องผ้าของพระติสสะออกแล้วซักให้สะอาดอาบน้ําให้พระติสสะด้วยน้ําอุ่นทรงชําระเรือนกายอันกรุพลุนด้วยพระองค์เองพระอนุ์ขอช่วยเหลืออยู่อย่างใกล้ชิดเมื่อร่างกายนั้นสะอาดพอสมควรแล้ว และผ้าที่ซักไว้ก็พอนุ่งห่มได้เรียบร้อยครั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นสังขารของพระติสะค่อยกระปรีก้กระเปร่าขึ้นพอสมควรแล้วจึงประทานพระโอวาทว่าติสะร่างกายนี้ไม่นานนักดอกคงจะต้องนอนทับถมแผ่นดินร่างกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณครองแล้วก็ถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่า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 พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาและเนื่องจากอาการป่วยหนักมากท่านไม่สามารถทนต่อไปได้อีกจึงนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานพระาศาสดาทรงให้กระทาชาปน ก, กิจแล้วให้ก่อเจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุพระาธาตุแห่งพระติสะนั้น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 จะว่างเว้นจากโรคคือความหิวแม้เพียงวันเดียวโรคคือความหิวนี้จึงต้องการบำบัดดูตลอดเวลาตลอดอายุการที่มนุษย์ต้องวิ่งเต้นชนิดกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวนั้นส่วนใหญ่ก็เพื่อ น, นำปัจจัยซึ่งสามารถบำบัดความหิวนี้เองมาปลนเปลอร่างกายอันพร่องอยู่เสมอนอกจากโรคประจำ คือโรคหิวแล้วยังมีโรคอื่นอื่นอีกมากมายคอยบีบคั้นเสียแทงให้มนุษย์ต้องกระวนกระวายปวดร้าวทั้งร่างกายและทางใจและจะมีเวลาใดเล่าที่มนุษย์จะต้องการเพื่อนผู้เห็นใจเสมอเหมือนเวลาป่วยหรืออ า, าพาธหนักในทํานองเดียวกันจะมีมิตรใ ด, ดเล่าจะเบือ น, นายและรำคาญเพื่อนในยามทุกเสมอด้วยมิตรเทียม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 อีกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์มีพระอานุนเป็นปัจฉาสมณ ะ, สะเสด็จไปตามเสนาสนะต่างๆท่า พ, พระเนตรเห็นภิกษุอาพาธหนักรูปหนึ่งนอนจมกองอุจจาระและปัสสาวะของตนอยู่ภิกษุรูปนั้นป่วยเป็นโรคท้องร่วงไม่มีใครพยาบาลเลยทั้งนี้เพราะเมื่อคราวท่านปกติดีอยู่ท่านไม่เคยอุปการะใคร พระพุทธองค์อันพระมหากรุณาเตือนแล้วได้ให้พระอานุ์ไปนำน้ำมาพระองค์ราดรถลงพระอานุ์ขัดสีพระองค์ทรงยกศีษะพระอานุลยกเทา้าและ ว, วางไว้บนเตียงนอนให้ฉันคีลานเพษสัตว์เท่าที่พอจะหาได้เย็นวันนั้นเองก็ทรงให้ประชุมสงฆ์ปรารบข้อที่ภิกษุอาพาธไม่มีผู้พยาบาลได้รับความลาบาก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 ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุอาพาธลงภิกษุผู้เป็นสิทธพึงรักษาพยาบาลจนกว่าเธอจะหายถ้าสิทธ์อาพาธลงอุปชายยอาจารย์พึงทำเช่นเดียวกันภิกษุใดไม่ทำพิกษณนย่อมเป็นอาบัติคือฝ่าฝืนระเบียบของเราถ้าอุปชายยอาจารย์ไม่มีให้ภิกษุผู้ร่วมอุปชายยอาจารยดำกัรปฏิบัติถ้าไม่ทาย่อมเป็นอาบัติ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 ควาสำนึกในพระพุทธวจนะนี้เองเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายแม้จะมาจากวั น, นะต่างกันตระกูลต่างกันแต่เมื่อมาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วก็มีความรู้สึกต่อกันฉันพี่น้องซึ่งมีพระบรมศาสดาเป็นบิดามีธรรมวินัยเป็นมารดามองกันด้วยสายตาที่แสดงไมตรีกิตมีพระดาภาพ แพปกคลุมอยู่ทั่วร่มเงาแห่งกาสาวพัดนอกจากจะมีต่อเพื่อนพรหมจารีแล้วพระดลภาพซึ่งเอิบอาบอยู่ในจิตใจของภิกษุท์ทั้งหลายยังได้แผ่ไปถึงสามัญชนทั่วไปและเดรัจฉานอีกด้วยสมณะเป็นเพศสูงและมีน้ำใจน่ารักน่าเคารพยิ่งนักท่านพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่น แต่ดูเหมือนสามัญชนไม่ค่อยจะเข้าใจท่านเลยความเผื่อแผ่และเมตตากรุณาซึ่งได้สั่งสมอบรมมานั้นอยู่ตัวแม้บางท่านจะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไม่ได้ตลอดชีวิตจำเป็นต้องศึกออกมาดำรงชีพยิ่ยงขรหัรทั้งหลายความเผื่อแผ่และเมตตากรุณาวันใจต่อความทุกข์ของผู้อื่นก็หาได้คลายลงไม่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 คนที่ทำความดีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจะไม่มีอยู่ในโลกบ้างเชียวหรือกระไรเราจะใจแคบจนไม่พยายามมองเจตนาดีของผู้อื่นบ้างเลย ครั้งหนึ่งพระพักคุณะอาพาธหนักพระอนุนได้ทราบจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเพื่อไปเยี่ยมไข้พระองค์เสด็จไปเยี่ยมตรัสถามถึงอาการป่วยพระพัคุณะทูลว่าอาการป่วยหนักมากมีทุกขเวทนากล้าแข็งลมเสียดแทงศีรษะเหมือนถูกเฉือนด้วยมีดโกนอันคมกริบ ป, ปวดท้อง เหมือนบุลุษข้าโคเอามีดชำละโคที่คมมาชำละท้องเจ็บปวดเร่าร้อนทั่วกายเหมือนถูกย่างบนหลุมทานเพลิงพระผู้มีพระภาคเจ้าสแสดงธรรมพนานาความทุกข์แห่งสังขารอันมีผลสืบเนื่องมาจากกิเลสและกรรมของตนจนพระพักรุนะได้สำเร็จเป็นโสดาบันครั้งหนึ่งพระคิลิมมนันทะอาาธหนะัก พระอา น, นุ์ทราบเรื่องนี้แล้วทูลอาราธนาให้พระาศาสดาเสด็จไปเยี่ยมเนื่องจากพระพุทธองค์ยังทรงมีภารกิจบางอย่างอยู่จึงเสด็จไปไม่ได้แต่ทรงให้พระอานนุ์เรียนสัญญาสิบประการแล้วไปสาธยายให้พระคิริมานันท h ฟังพระอานนุ์ครั้นเรียนสัญญาสิบประการอย่างแม่นยำแล้วก็นําไปสู่สํานักของพระคิริมานันท h สาธยายสัญญาสิบประการให้ฟังโดยใจความดังนี้รูปคือก้อนทุกก้อนหนึ่งซึ่งประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่ กล่าวคือดินน้ำลมและไฟเป็นไปโดยจักรสี่คือยืนเดินนั่งนอนอันรวมเรียกว่าเยริยาบทมิถวานเกคือตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวานหนักหนึ่งทวานเบาหนึ่งอันเป็นที่หลั่งไหลออกแห่งตูปลวกคือสิ่งโสโครกต่างๆขี้ตาไหลออกจากตาขี้หูไหลออกจากหู ทั่สารพางมีรูเล็กๆเป็นที่หลั่งไหลออกแห่งสิ่งสกปรกอันหมัก ม, มมอยู่ภายในพระศาสดาจึงเปรียบรูปกายนี้เหมือนจอมปลวกบ้างเหมือนหม้อดินบ้างเวทนาคือความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างสัญญาคือความทรงจําได้หมายรู้ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสและโพัิภารมณ์ คือสิ่งซึ่งถูกต้องได้ด้วยกายสังขารคือสภาพกรุงแต่งกิจให้เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างเป็นกลางกลางบ้างวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์อันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าขันท่าล้วนมีสภาพเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ไม่เที่ยงเพราะเปองแปรอยู่เสมอ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 ดีสเลดหนองเลืด อ, อดเหงือ่อน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำลายน้ำไขข้อน้ำมูดอาการหรือสิ่งดังกล่าวมานี้ย่อมให้ทุกข์ให้โทษเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงเป็นบอ่อเกิดแห่งโรคนานาชนิดเช่นโรคตาโรคหูโรคในจมูกโรคลาไส้โรคไตโรคม้ามโรคตับ โรคเกี่ยวกับอุจจาระปัสสาวะการพิจารณาเห็นโทษแห่งสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นรังของโลกนั่นแหละเรียกว่าอาทีนวสัญญาร่างกายนี้เป็นที่นำมาคือเป็นสื่อแห่งความตรึกในเรื่องกามบ้างเรื่องพยาบาทบ้างเรื่องเบียดเบียนบ้างวิตกทั้งสามนี้เมื่อจะตั้งลงก็ตั้งลงในกายนี้การกาหนดใจประหารกามวิตตก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 การกำหนดใจดังนี้เรียกสัพพสังขาเรสุอนิจะสัญญาหรืออนิจจสัญญาการกำหนดลมหายใจเข้าออกมีสติตั้งไว้ที่ลมหายใจเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทากามราคะและความหลงไหลเรียกว่าอานาปนสติ พระคิลมนันทะทรงกระแสจิตไปตามธรรมบรญญายของพระอา น, นุ์รูสรส้สึกทราบซึ้งซึมทราบปิติปราโมทเกิดขึ้นเป็นปฏิกริยาแห่งธรรมโมทปัญญาสามารถข่มอาพาธหนักเสียได้ท่านหายจากอาพาธนั้นด้วยฟังสัญญาสิบประการจากพระพุทธอนิชานอกจากบรรพชิตแล้วยังมีคลืหัดอีกมากลาย ซึ่งพระอานน์ได้ช่วยเหลือในยามเจ็บป่วยเป็นต้นว่าท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีและคลืหบดีนามว่าสิริวัฒน์ชาวเมืองราชคฤือและคลืหบดีนามว่ามานทิ น, นะชาวเมืองราชคฤือเช่นเดียวกัน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 พระบรมศาสดาและพระพุทธอนุชาอานน์นั้นเป็นกายานมิตรแห่งมวลชนเป็นที่พึ่งได้ทั้งทางกายและทางจิตจะหากลยานมิตรใดเล่าเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐนี้